ประโยชน์เพื่อความสุขของเขาจริงๆพระองค์พอตั้งความประอาจเจริญเมตตาเป็นเบื้องหน้าว่าจะไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็อธิษฐานจุติก็ไปเที่ยวดันันทวันนะนะเทวดาก็บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทําบุญมาอย่างนั้นอย่างนั้นให้พระองค์เนี่ยละลึกถึงบุญของพระองค์เทอ ตัวผู้ที่สายก็เลยลึกถึงดุญแล้วก็จุตินะจุติก็มาถือปฏิสนธิในพระคันของพระมหามายาซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระนามหามายาก็ฝันว่าฝันว่ามาเหสีของท้าวเจ้าตุมหาราชพาไปอาบน้ํานที่สาโนดาดนะพออาบน้ําอันเสร็จก็ให้ใช้ภูษาอันเป็นทิพย์แล้วก็มีช้างเผือกผ่องอตัวหนึ่งแล้วก็ถือดอกบี้มาแลแวกแวกซี่โครง ข, งข้างขวาเนี่ยแล้วก็เออแวกซี่โครงข้างซ้ายใช่ไหม ถ้าปรับเบื้องขวา เ, าเบื้องซ้ายแหวกเข้าไปก็เราก็ถือปฏิสนธิพวกตื่นเช้ามาก็เล่าให้พระเจ้าสุโทธทนะฟังพระเจ้าสุโทธทนะก็เรียกพวกเนมิตกาจาร์ทั้งหลายพวกพยากรณ์เรื่องฝัน ต, น ต, นตน้นๆเนี่ยมาก็บอกว่าฝันอย่างนี้ไหมเขาว่ายังไงบอกว่าฝันอย่างนี้ไหมเขาว่าพราะองค์นี้อได้มีพระอุรสขึ้นแล้วนนะเป็นพระอุรสที่เรียกว่าบุคคลพิเศษถ้าอยู่ครองเรือนจกได้เป็น พระเจ้าจักรทรรดิถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ดีใจก็พระภอ่ะก็ดีใจก็เลยมีการให้แม่นมเนี่ยที่เลี้ยงช่วยดูแลพระนางมหามายาเป็นอย่างดีแบอบกว่าหลังจากที่พระโทธิสัตว์ถือปฏิสนธิในครันของพระพุทธมารดาเนี่ยนะสาการะเนี่ยขึ้นมากเหลือเกินเนี่ยนะที่ไหนที่ไหนเขาก็ส่งบรรณาการมาให้พันธนางจึงเป็นผู้ที่เพียรพร้อมด้วยเบญจา ก, การมคุณ ทีนี้ย้อนกลับมาว่าตอนที่พระองค์เนี่ยลงสู่คันธมาดาเนี่ยจากหมู่เทวดาชั้นดุสิตสู่คันธมาดาในการนั้นแสงสว่างอันอุรานหาประมาณไม่ได้เรื่องเสียซึ่งเทวานุภาพของเหล่าเทวดาย่อมปรากฏในโลกพร้อมทั้งเทวโลกอั น, นเทวดามารพร้มในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามทเทวดาและมนุษย์โดยที่สุดแม้แต่โล ก, กันต ะ, ตะนรกที่มีแต่ทุกข์ ซึ่งไม่ใช่ที่เปิดเผยมีแต่ความมืดซึ่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี้อิทธานุภาพมากอย่างนี้สองแสงไปไม่ถึงก็ยังปรากฏแสงสว่างอย่างอุลาหหาประมาณนี้ได้ล่วงเสียซึ่งเทวานุภาพของเหล่าเทวดาด้วยแสงสว่างนั้นแม้โมสัตว์ผู้อุบัตในนรกนั้นก็รู้กันว่าสัตว์อื่นสัตว์เราอื่นก็เกิดมาเกิดในที่นี้เหมือนกัน เขาบว่าวปกตินี้โลกันตนาโรกเนี่ยไม่มีจักขูวิญญาณเกิดเลยพอแสงสว่างที่พระโพธิสัตว์จุติปฏิสนทุในนั่นแหะเกิดได้แสงสว่างอยู่นิบหนึ่งพอให้รู้อ้าวเราไม่ได้อยู่คนเดียวนี่อยู่กันเต็มไปหมดเลยไงก็คือหมู่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายพันแสงสว่างเนี่ยก็เกิดขึ้นส่องถึงแม้กระทั่งโลกันตนาโรกอันมืดนิด หมื่นโล ก, กาธาตุก็สะเทือนสะท้านหวั่นไหวและแสงสว่างอย่างโอฬารหาประมาณไม่ได้ก็ล่วงเสวะแสงสว่างทั้งมวลเนี่ยเป็นแสงสว่างที่ครอบนำแสงอย่างอื่นทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะอันนี้เพื่อความอัศจรรย์ตอนที่พระ อ, องค์ถือปฏิสนธิในพระคันของพระมารดา อทีนี้พอลงสู่พระคันกพระมารดาแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเทวบุตรสี่องค์เนี่ยจะใกล้ชิดพระโพธิสัตว์ถอยอารักขาในสีทิศท่านบอกว่าเทวดาชั้นจาตุ้มเนี่ยนะคือเท้าจาตุมมหาราชนี่มาเป็นมาเป็นยามให้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเท้าจาตุ้มจะมาเป็นยามให้คือมนุษย์เนี่ยถามว่ามนุษย์กลัวอะไรบ้างหนึ่งกลัวนากกลัวงูเนี่ยนะสองกลัวอะไรกลัวครุฑกลัวพวกกลุ่มนกกลัวยักษ์กลัวผีกลัวอมนุษย์เนี่ยนะซึ่งเอ่อพวก สิ่งน่ากลัวทั้งหลายเนี่ยใครดูแลอยู่ก็เท้ามหาราชทั้งสีนั่นดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเท้ามหาราชจึงต้องลงมาเป็นยามเองเนี่ยนะต้องมาเป็นยามเองเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้ไม่มาแสดงภาพที่น่ากลัวเนี่ยนะก็เลยถามว่าเท้ามหาราชมาทั้งหมื่นจักรวาลเลยนะมาคอยดูแลอุปถัมภ์ใกล้ชิดเป็นทหารยามเต็มไปหมดเลยนะเริ่มมาดูแลเพราะถามว่าทําไมจึงเทวดามาดูแล ก็เพราบุญที่พระ อ, องค์เคยทําไวอารักขาผู้อื่นไวเป็นอย่างมากเ น, นะเคยอารักขาเคยทําบุญประเภทอารักขาอย่างอื่นเอาไว้เยอะบุญตัวนั้นให้ผลก็เลยมีผู้อารักขาในชาติสุดท้ายแต่จริงๆไม่มีผู้ใดทําอันตรายพระ อ, องค์ได้ แต่ที่ต้องอระคาเพราะว่าเดี๋ยวพวกอามนุษย์ทั้งหลายจะมาแสดงสิ่งที่น่ากลัวให้มารดาพระโพธทิสัตว์เห็นเพราะฉนั้นก็ต้องป้องกันเกียรติกันเล่าออกไปให้หมดเลยอันก็เท้าจะตมมหาราชในหลายจักรวาลมาดูแลมาคอยเป็นทหารยามเขาบอกว่าจะแสดงตัวให้ปรากฏตลอดเว้นตอนตอนพระนางเนี่ยสวยพระกยาหารกับตอนที่ ตอนทํำกิจส่วนตัวเนี่ยตอนนั้นเทวดาจะไม่ปรากฏแต่ถ้าเป็นเวลาอื่นจะเทวดาจะปรากฏให้เห็นอ่าพนาก็ไม่มีความรู้สึกอะไรก็เหมือนกับทหารยามทั่วไปนะก็เหมือนกับทหารยามทั่วไปก็ไม่ได้ตกใจอะไรไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วเทวดาก็มาอารักขาในทุกทั้งสี่เลยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ทีนี้ปกติพระพุทธมารดานั้นก็เป็นผู้มีศีลโดยปกติมีศีลห้าโดยปกติอเคิดว่า ปกติศีลศีลมีหลายประเภทใช่ไหมอีกข้อหนึ่งคือปกติศีลปกติศีลเนี่ยคือศีลของพระมหพระพุทธมารดาว่าพอพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนทุทในพระคันของพระพุทธมารดาพระพุทธมารดาจะมีศีลเต็นปกติโดยธรรมชาติว่าเจตนาเป็นเหตุฆ่าสัตว์ไม่มีโดยประการทั้งปวงเจตนาเป็นเหตุอาทินนาทานการเมตสุมิจฉาจารโมสาวาา ดืมสุราไม่มีแม้แต่เจตนาที่จะคิดอย่างไม่มีจกะกล่าวไปยายถึงล่วงละเมิดท่านก็เลยถือว่าเป็นผู้ที่มีศีลโดยปกติหรือว่าปกติศีลเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าอาจรรัจจันทร์พอเด็กเกิดในคันแล้วแม่เนี่ยมีศีลโดยปกติซึ่งต่างจากบางแห่งนะแม่กขาบางคนเนี่ยแม่บางคนเนี่ยเป็นหน้าแปลกใจว่าเมื่อก่อนหน้านี้ไม่เคยดื่มสุราไม่สูบบุหรี่อะไรเลยเพอมีลูกป้าเริ่ะ จิตน้อมไปเพื่อแต่สืบบุหรี่จิตน้อมไปเพื่อจะดื่มเหล้าจิตน้อมไปเพื่อจะเป็นนักเลนการพนันเป็นต้นเนยนะก็เริ่มก็แสดงว่าเชื่อติดมาจากลูกก่อนหน้านี้แม่ไม่เป็นใช่ไหมคืออุปนิสัยเหล่านี้ระหว่างแม่กับลูกนี้มันเกี่ยวข้องกันได้นะมันมันเกี่ยวข้องกันจริงจก็เหมือนอะไรพระโลสกะติสาใช่ไหมพอเกิดในคันตั้งแม่คือเคยขอทานขอทานอยู่ยากอยู่แล้วก็ขอทานหนักยากเข้าไปอีกนะเดือดร้อนเข้าไปอีก ก็เกิดมาในตระกูลขอทานแล้วจะใช้ชีวิตยอยู่อย่างไรท่านก็ลําบากมากเนี่ยนะท่านถ้าผู้มีบุญมาเกิดในคันพระมานดาล่ะโอ้มารดามีแต่เจริญอย่างเดียว น, นะมีแต่เจริญมีแต่เจริญท่านบุตรที่เกิดในครันของมารดาบิดาเนี่ยก็เป็นนิมิตบางคนเนี่ยพอเกิดในคันมารดาปั๊บเนี่ยนะธรรมาหากินสะดวกโยกทินไปหมดเลยราบรื่นไปหมดอ่าบางคนนี่ยธรรมาหากินก็สะดวกอยู่แล้วพอเด็กคนนี้มาเกิดในคันตับ๊บเดือดร้อนเลยเนี่ยนะ พ่อแม่จากเคยฐานะดีจนลงทันทีเลยน ะ, ะทําอะไรก็วิบัติไปหมดเลยแต่ถ้าบางคนนี่ก็โหเจริญเอาเจริญเอาอขออนุญาตเล่าถึงเรื่องอคุณหลานมีน้องชายอยู่คนหนึ่งะนะเขาบอกว่าอคุณหลานเล่าว่าตั้งแตนน่น้องชายคนนี้เกิดมานะครอบครัวมีแต่เจริญอย่างเดียวขอ้องกัะนะมีแต่เจริญอย่างเดียวไ อ, ไอ้ที่ที่มันดูมีปัญหานะไม่มีปัญหาหมดเลยแล้วก็แปลว่าคนนี้ทํามาเราสำรวจหมดะนะ ก็คุณจรเนี่ยนะคุณสจเนี่ยเขามีความเขาบุญเก่าเขาเยอะมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจากว่าพ่อแม่จะสบายเลยแบงนั้นเนี่ยทําอะไรก็ราบรื่นไปหมดอะนะไม่ไม่สู้จะยากเท่าไหร่อันนี้ถ้าคนมีบุญมานะถ้าพวกหมดบุญนะแ ม, ะมเ่เนี่ยแทบจะขอทานกินเลยเนี่ยนะพอแม่จากแม่ดีๆเนี่ยแม่ชั้นดีเนี่ยกลายเป็นแม่ขอทานทันทีเช่นผ้าอะไรนะพระนิโครดนิโครดสัมเณีเนี่ยพอเกิดในคันท่ามารดาวเตรียมจะคลอต้องไปอยู่บ้านธาตุอะ พ่อไปเคยด่าพระตะเจกเอาไว้ว่าเป็นทาส ต, ตัวเองก็เลยได้เป็นทาสจะต้องไปกรรโขดที่บ้านทาสนั่นแหะ <S <S พันเกี่ยวกับเรื่องบุญเกี่ยวกับเรื่องกรรมนี่สําคัญมากพราะโพธิสัตว์ก็เหมือนกันพอเกิดในคันก็มาดานี่สบายเลยใช่ไหมของเราทั้งหลายถ้าไปเกิดในคันที่ใดแม่สบายเลยนะถ้าทําบุญไว้เยอะๆก็อย่างนั้นแหละถ้าบุญไม่ค่อยมากแม่เดือดร้อนแน่ของขมาก็คนหนึ่งแหละที่เกิดมาปั๊บแม่ต้องเดือดร้อนเลยทําบุญมาไม่ค่อยดี อ๋อม่อยู่คันนั่นนะโอปปาติการนี่ก็พบไหนเนาะ <laughs> โอปปาติการมันมีหลายแห่งเหลือกเกินเนี่ยนะพุทพุทธโตขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยดูว่าเผล่ที่ไหนมานะอที่ดีอยู่แล้วนะพบพบไหนก็ได้ที่ระ ล, ลึกถึงพระรัตนตรัยได้นะก็สรุปว่าเขาเป็นบ ร, ริวารของภาริยาเถอะเหมือนกันเ <laughs> <laughs> หตุการณ์ที่น่าสะใจข้อต่อไปคือพระพุทธมารดา ข, ของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไม่ได้มีพระหรือไทยใส่ในการมาคุณในบุรุษเลย ไม่คิดถึงผู้ชายด้วยอำ น, นาจกรรมคุณเลยเป็นผู้ไม่ถูกบุรุษไรๆที่มีจิตกำหนัดล่วงเกินได้เขาบอกว่าถ้าจิตกำหนัดตับจะเดินไปหาเนี่ยแค่นั้นก็เหมือนกับโซ่ทิพ t ึง n าไปแล้วนะคั้นไม่มีใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ข้อต่อไปบอกมารดาของพระโพธิสัตว์จะ บ, บริบูรณ์ด้วยรูปสวยๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆได้ข้าวของเครื่องใช้ที่ดีทุกอย่างเลยนะ เครื่องประดับเครื่องประดับเพื่ออะไรเรียบบริบูรณ์ดีหมดเลยอันนี้ก็เป็นบุญของพระโพธิสัตว์ด้วยบุญของพระพุทธมารดาด้วยแล้วก็ข้อต่อไปบอกว่าพระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่มีพระโรค า, าพรายไรๆเกิดขึ้น ไม่ป่วยเลยจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่ลำบากพระกายจะทรงเห็นพระโพธิสัตว์แต่ทับอยู่ภายในพระอุทรมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบมีอินทรีย์ไม่เสื่อมโทรมได้เปรียบเหมือนแก้วไททูลงามชดช่วงแต่เลียมอันเขาเจรไนดีแล้วแม้ แก้นั้นเน่ะเขาร้อยได้สีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนสีแดงสีขาวสีเหลืองแก่เข้าไว้บุรุษผู้มีตาดีวางแก้วนั้นไว้ในมือก็เพึงเห็นได้ชัดว่าแก้วไพลทูนี้งามชุดช่วงแปดเหลี่ยมอันเขาเจรนายดีเลวในแก้วนั้นเขาร้อยได้สีเขียวสีเหลืองอ่อนสีแดงสีขาวสีเหลืองแก่เข้าไว้ฉันใด ดูก่อนอนอนน์ฉะนั้นเหมือนกันแล้วในการใดพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่คันพระมารดาแล้วในการนั้นพระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่มีพระโรคาผ้ราไร่เกิดขึ้นจะมีความสุขไม่ลำบากพระกายจะทรงเห็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ภายในพระอุทรมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบมีอินทรีย์ไม่เสื่อมโสมได้ฉะนั้นก็คือจะเป็นมองเห็นลูกของตัวเองในท้องเลยแล้วก็ถ้าเห็นบุตรที่อยู่ในในท้องอย่างเงี้ยถามว่าทำไมต้องเห็น ก็จะได้บริหารจะได้ลูกไม่เดือดร้อนใช่ไหมเวลานางจะลืนจะลูกจะเดินก็จะค่อยๆระวังเดี๋ยวลูกจะลําบากเนี่ยนะก็ดูอยู่ตลอดเลยนะก็เหมือนกับอุ้มอ่ะนะเหมือนกับอุ้มเหมือนกับอะไรมันจะทําอะไรก็ดูเลยอย่างดีไปหมดข้อต่อไปว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้เจ็ดวันประสูติเจดวันเนี่ยนะก็ประสูติที่นี่นะพระมารดาของพระโพธิสัตว์จะเสด็จสวรรคตเข้าถึงหมู่เทวดาชั้นดุสิตอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ว่าแม่จะต้องเกิดในสวรรค์ชั้น เดือเสร็จอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่พระโพธิสัตว์จะคลอดหมายว่าพอครบสิบเดือนเนี่ยนะพอครบสิบเดือนพอดีเนี่ยพนางมหามายาเนี่ยประสงค์จะไปที่เมืองเทวทหะคือโบราณเนี่ยโบราณเขาถือการคลอดอ่าจะไปคลอดที่เรือนของแม่เนี่ยนะปกติฝ่ายหญิงจะไปอยู่ฝ่ายชายพอมีครันเตรียมจะคลอดโดยมากจะไปคลอดที่ที่เรือนของแม่ เพราะฉะนั้นก็เลยนึกถึงเทวทหาคนครก็อยากจะกลับมาประสูตรที่บ้านของแม่พระเจ้าสุโธทนะก็ไม่ขัดอะไรก็เลยให้จัดหนทางตั้งเมืองไหนเมืองกบิลพัทไปหาเมืองเทวทหะเนี่ยนะเทวทหะก็ระหว่างทางก็มีการแต่งทางให้อย่างดีมีการแต่งธงมีการประดับประดาสองข้างทางทนายก็เสด็จมาด้วยวอใช่ไหด้วยวัวรหรือฉเฉลียง ต, ต้องคิดว่าหามนะเพราะว่าจะจะไดะ้ด้วยหามนะเพราะจะได้ไม่กระเทือนถ้ามารถมาอะไรมันกระเทือนฉเฉลียงคือสีวิการใช่ไหมไม่ต่างกันวอนี่ส่วนใหญ่รถไม่ใช่เหอรอบรคนหาม น, นี่ก็คิดว่าคนหามมาเพราะว่าจะได้ไม่กระเทือนพอมาเนี่ยมาถึงเนี่ยเขาบอกว่าสวนลมที่นิวันเนี่ยบริเวณแถวเนี่เนี่นะแต่ปกติเมื่อก่อนเนี่ยต้นสาละเยอะนี่ตอนนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยมะตูมใช่ไมนี่มะตูมข้างหลังก็ต้นโพ อั น, นไม่เห็นมีสาระเลยทีนี้พอพระนางเนี่ยเข้ามาถึงที่นี่เนี่ยก็บอกว่าตาเออตรงนี้เป็นสวนอยู่แล้วนะจริงๆสมัยพุท ธ, ธกาลเนี่ยเป็นสวนเป็นที่ท่องเที่ยวของกษัตริย์สองเมืองอันนเป็นที่ที่เขาจะแวะพักเพราะเป็นสวนที่มันน่ารื่นรมมากก็จะจะเป็นทำเลท่องเที่ยวของของกษัตริย์สมัยนั้นอยู่แล้วพอมาถึงพระนางก็เลยบอกว่าสวนนี้มีดอกไม้มีอะไรเต็มไปหมดเลยก็เลยลงมาลงมาเรื่อยๆก็พอลงมาถึงที่ พื้นตรงนี้ก็มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งพระนางก็ประสงค์จะเอื้อมมือไปจับกิ่งไม้ให้กิ่งไม้ก็น้อมมาให้จับแล้วก็รู้ะนะอมมาศทั้งหลายก็รู้ว่าจะประสูติแล้วพอรู้จะประสูติก็พวกทหารทั้งหลายก็อมมาศเนี่ยมาปิดมาตั้นอ่นะพระโพธิสัตว์ก็เลยประสูติประสูติตแบบแม่อยู่ในอิริยาบถยืนประสูติแบบเอาเท้าลงมาก่อนถามว่าเหมือนอะไรเหมือนพระพิสุท์ลงจากธรรมมาศก็คือจะเอาเท้าลงมาก่อนนะ่แน่ เอาเท้าลงมาก่อนซึ่งจะต่างจากคนอื่นโดยมากเนี่ยโดยมากเอะไรออกมาก่อนเอาหัวออกมาก่อนของพระองค์นี่เอาเท้าออกมาก่อนเอ่าไม่ติดเนี่ยนะเขาก็ก็ลงแบบแบบแบบก็โดินเดร่มเนี่ยโดิร่มเนี่ยเอาอะไรลงมาก่อนโดิร่มผู้การเอาเท้าลงมาก่อนนะเอาเท้าลงมาก่อนคล้ายแบบนั้นนะเอายกมือขึ้นนะเวลาโดินร่มยกมือขึ้นด้วยไหมออไม่ไม่ยกมือแต่มันมีบางอย่างที่ว่าโดิลงมาแล้วยกมือขึ้นนะยยกมือขึ้นไม่ไม่ติด ว่าท่านทําบุญมาดีนะไม่ตีดออกไม่มีคนไทยที่เอาเอาเท้าออกก็มีนะมีสมัครศูนโทรเวชนี่เอาเท้าออกมาก่อนอลูกผู้การคนที่สองนี่ก็เอาเท้าออกมาก่อนอ น, นะผู้ว่ากรุงเทพตอนนี้ก็เอาเท้าออกมาก่อนทีนี้มาดูต่อไปว่าถ้ามารดาของพระโพธิสัตว์จะประสูติไม่เหมือนอย่างหญิงอื่นๆที่นั่งคลอดหรือนอนคลอดเพราะว่าพระนางจะประทับยืนท่าเดียวแล้วประสูติพระโพธิสัตว์เนี่ยนะ แล้วะก็อย่างหนึ่งตอนประสูตรเนี่ยยิงอื่นๆเนี่ยนะจะบริหารคันถ้าสมัยก่อนเจ็ดเดือนนี่ตายหมดตอนนี้เจ็ดเดือนนี่เขาอบก็พอรอดได้นะแปดเดือนเก้าเดือนเนี่ยแปเดือนก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เก้าเดือนก็ค่อยชั่วหน่อยสิบเดือนจงจะจะดีใช่ไหมพระโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ครบถพื่อนสิบเดือนแน่นอนทีนี้ถามว่าพ่อเนี่ยอยู่ในครันถึงอยู่สิบเดือนก็ไม่ได้อยู่ด้วยความยากลําบากอะไรเลยอะไรเพื่ออะไรรู้ไหมทําให้อยู่ในครันไม่ลําบากอยู่ในครันแบบไม่ดวดร้อน ที่อื่นๆนีน่กล่าวไว้อา น, นิสงของให้เสนาสนะเป็นฐานอันนั้นอานิสงของการให้เสนาสนะเป็นฐานทําให้อยู่ในคันโดยไม่ลําบากเนี่ยนะเขาบอกว่าอา น, นิสงของการให้วิหารเป็นฐานให้ที่อยู่เป็นฐานทําให้อยู่ในคันแบบอยู่แบบไม่ลําบากเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าไป iste, ไล่ที่คนอื่นไม่มากๆอ่ะเดือดร้อนแน่นะเพราะงี้ไปเขาเวลาเขาหลับเขานอนเนี่ยไปไล่ reinvent, ที่เขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในคันลําบาก นี้เหตุการณ์ที่น่าสะใจต่อไปว่าในการใดพระโพธิสัตว์ประสูตรจากพระอุทธรของพระพุทธมารดาในการนั้นเทวดาจะรับก่อนพวกมนุษย์จะรับทีหลังก็คือเท้าหมาเพลมเนี่ยนะพเพลมขออภัยเพลมชั้นสุดท้ายที่เป็นพระขี่นาศเป็นพระรหารก็รับก่อนแล้วก็พวกมนุษย์จะจิ้มจะรับทีหลังเนี่ยนะ ส่วนเหตุการณ์ที่น่าสัจจ์ต่อไปว่าพระโพธิสัตย์ยังไม่ทันถึงแผ่นดินเทวบุตรทั้งสี่ก็รับวางไว้ตรงพระพักของพระมารดาให้ทรงหมายรู้ว่าขอพระเทวีจงมีพระทัยยินดีเถิด โอพรโอรสของพระองค์มีศักดิ์มีศักมากสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วนะบอกว่าให้ดีใจเธอยินดีได้เลยว่าพระโอรสนี่ไม่ใช่โอรสธรรมดานะเป็นโอรสที่มีศักยิ่งใหญ่จริงๆผู้ยิ่งใหญ่จริงๆใหญ่ถึงขนาดว่าถ้ายกมือไหว้ใครคนนั้นหัวแตกเจ็เสียงเอาใหญ่ขนาดนั้นหนูใหญ่จนไหว้ใครไม่ได้เลยยิ่งใหญ่จริงๆ อ, อย่างโมยามที่รู้การจัมมิกาลัทวินมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย พระเจ้าสุดโทธนะเนี่ยจะให้ยกพระโพธิสัตว์ไปไหว้กาลเทวินกาลเทวินดาบทจริงๆเนี่ยเขาเป็นปุโรหิตของพระเจ้าสีหนุสีหนุคื อ, อตูของพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะเขาเป็นปุโรหิตแล้วก็เป็นอาจารย์สอนพระเจ้าสุดโทธนะตอนหลังนี้ก็พอพระเจ้าสุดโทธนะขึ้นครองราชท่านก็เลยออกบวชออกบวชก็ได้ภิญญาได้สมาบัติแบบพระ พระเจ้าสุดโธนทนะนับถือกาลเทวินมากเพราะเป็นอาจารย์สอนมาตั้งแต่เล็กแต่ น, น้อยอยู่แล้วก็ขรรคพันธ์ทบเวดได้อภินญาเหาะได้เป็นต้นเนี่ยก็อยากให้พระโพธิสัตว์ได้ไหว้ไหว้พระไหว้อาจารย์เนี่ยนะพอมาก็โนนพระโพธิสัตว์ไปยืนอยู่บนหัวนุ่น น, น, นะะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเขามีใครไปให้พระโพธิสัตว์ไหว้เนี่ยกาลเทวินดาบที่หัวจะแตกเจ็บเสียงเนี่ยนะ เพราะพระองค์เนี่ยว่ายใครไม่ได้สรุปง่ายๆถ้าว่ายแผ่นดินกับแผ่นดินก็เดือดร้อนเลยนะว่าอากาศฝนก็ไม่ตกเลยเลยเพราะเดชของพระองค์นี่มีมากขนาดนั้นเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่คนอื่นเคารพอย่างเดียวพระองค์ไม่ต้องเคารพใครคนอื่นต้องเคารพพระองค์อย่างเดียวเพราะบารมีที่สร้างมาบำเพ็ญมาจนเต็มเตี่ยมแล้วพันก็รู้ว่าเดชของพระองค์นี่เป็นผู้มีศักย์ใหญ่นะได้ลูกที่มีอำนาจมากมีเดชมากมีบุญมากหลังจากนั้นอนะว่า พอพระ อ, องค์ย่อมประสูติอย่างบริสุทธิ์คือตอนที่ประสูติคลอดออกมาเนี่ยไม่เปื้อนด้วยน้ําไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยน้ําเหลืองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดไรๆนับว่าหมดจด บ, บริสุทธิ์เปรียบเหมือนแก้วมณี i, ที่เขาวางบนผ้ากาสิกพัดไม่แตะเปื้อนด้วยผ้ากาศิกพัดแม้ผ้ากาสิกพัดก็ไม่แตะเปื้อนด้วยแก้วมณีข้อนั้นท่าเห็นเราเพราะของทั้งสองบริสุทธิ์ผ้ากาสิกพัดคือลายผ้าจากเควนกาสี ไม่รู้พื้นไหนก็ไม่ทราบอ่ะนะต้องถามคุณซาสีถามคุณราชูดูว่าผ้าแขวนกาสีเป็นยังไงอ๋อที่แขวนไปแนละ้วอ๋อที่แขวนที่คุณหลานแข ว, น, ขวนนะั่นยงผ้าสีม่วงๆอ่ะนะที่น่นวน์ผ้าแขวนกาสีเขาบอกว่าผ้ากาสิกับผนเนี่ยเป็นผ้าที่สะอาดเนี่ยนะเปื้อนแล้วก็จะไม่มีอะไรติดมาฮนะ่มเกมันีก็ไม่ใช่ยาอะไรไป ต, ติดง่ายอ่นะ ก็ไปวางบนกาสิกพัดก็ไม่เปื้อนมาฉันใดตอนที่พระองค์ประสูติออกมาก็ไม่เปื้อนด้วยน้ําไม่เปื้อนนู่นเลือดไม่เปื้อนด้วยน้ําเลี้ยงดีสเลตเป็นต้นไม่มีเปื้อนเลยถ้าเป็นสัตว์อื่นเปื้อนอะไรมาบ้างเช่นเปื้อนน้ําครามเปื้อนไขมันเปื้อนอะไรออกมานะแต่พระโพธิสัตว์ไม่เปื้อนถามว่าทำไมเพราะท่านผิวละเอียดมากผิวละเอียดจนฝุ่นเป็นต้นไม่ไม่แตดไม่เปื้อนอะไรเลยอย่างพระโพอิ์พระองค์เนี่ยท่าสองน้ําเนี่ไม่ต้องเช็ดตัว อันะลูกขึ้นมาน้ำหายหมดเลยเท่ากับเช็ดตัวสะอาด เ, เรียบร้อยแล้วอันนั้นนั่นผิบริสุทธิ์เ็ขนาดนั้นมันกออ็อุปมาประด็กแก้วมณีที่ไม่เตือนด้วยของทั้งหลายส่วนข้ออัศจรรย์ข้อต่อไปว่าในการนั้นทานน้ำสองสายย่อมปรากฏจากอากาศสายหนึ่งเป็นทานน้าร้อนสายหนึ่งเป็นทานน้ําอุ่นเป็นเครื่องทําการสนานพระมารดาพระโพธิสัตว์เนี่ยนะนะก็ถ้าเป็นโบราณเลยนะฟังแล้วคงจะแปลกใจมากนะ สมัยนี้ฟังแล้วก็ปกติเรื่องธรรมดาธรรมดาไห ม, มก็โรงแรมเนี่ยเราขาก๊อกเนี่ยเบียรก๊อกน้ําอุ่นก๊อกเย็นออกมาเลยนะก็ขนาดเราบุญแค่นี้เรายังไม่น้ําอย่างนี้เลยนะจะกล่าวไปยายถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท ำ, ท, ำทำไมจะไม่ได้ท่อน้ําร้อนท่อน้ําเย็นที่ไลหลมาผสมกับผสมกันเป็นน้ําอุ่นราดรถพระโพธิสัตว์อย่านี้นะสนานทั้งพระโพธิสัตว์ด้วยนยะเป็นท่อน้ําที่สนานพระโพธิสัตว์ด้วยสนานทั้ง พระพุทธมารดาด้วยข้อหน้าอัศจรรย์ต่อไปว่าพระโพธิสัตว์ในบัดดลที่ประสูตก็ประทับพระยุคลบาทอันเสมอบนแผ่นดินพระบาทฝ่าพระบาทของพระองค์เนี่ยเสมอสัมผัสพื้นเนี่ยเสมอกันพอดีเป๊ะเลยแล้วบายประทับไปสู่ด้านทุ่เหนือเป็นอุทานแล้วก็เสด็จดำเนินไปเจ็ดเก้าเมื่อเทพประบุกั้นเสวยประชดตามไปพระองค์เลี้ยวดูทิศทั้งปวงทรงแต่งพวาจาคืออาสพิวาจาว่า เราเป็นผู้เล็กในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยนะบัดนี้การเกิดในภพใหม่ก็ไม่มีอันนี้เระหว่าปัจเจเวขณะยานเกิดตั้งแต่ยังไม่ไม่ได้เป็นธาตุหันเนอนะรู้เลยว่าการคลอดการปฏิสนธิครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่มีครั้งอื่นอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะก็การเกิดในภพเนี่ยหมดแล้วถือว่าชาตินี้เป็นชาติสดุสดท้ายแล้ว แต่ก็เป็นชาติสุดท้ายแบบผู้ที่เลิประเสริฐที่สุดในโลกเนี่ยนะส่วนบุพภานิมิตก็จะได้กล่าวต่อไปอีกครั้งหนึ่ง น, นะพอพออระองคปสูตจากพระคันของพระมารดาเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างก็บอกว่าแสงสว่างอันโอฬารหาประมาณไม่ได้ล่วงเสียซึ่งเทวานุภาพของเหล่าเทวดาปรากฏในโลกพร้อมทั้งเทวดามามพรพมในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมมาณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์แมโลกันตนรกที่มีแต่ทุกข์ไม่ใช่ที่เปิดเผย มีแต่ความมืดซึ่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีอิทธานุภาพมากอย่างนี้สองแสงไปไม่ถึงก็ยังปรากฏแสงสว่างอย่างโอฬารหาประมาณไม่ได้ล่วงเสียซึ่งเทวานุภาพของเหล่าเทวดาด้วยแสงสว่างนั้นแนะม้หมู่สัตว์ผู้อุบัติในนรกก็รู้กันว่าสัตว์เหล่าอื่นก็เกิดในที่นี้อันหนึ่งมูลโลกธาตุก็ย่อมสะเทือนสะท้านหวั่นไหวและแสงสว่างอย่างโอฬานหาประมาณไม่ได้ล่วงเสียซึ่งเทวานุภาพของเหล่าเทวดาย่อมปรากฏในโลก อันนั้นก็คือแผ่นดินไหวเหมือนโลกธาตุพี่ที่แผ่นดินไหวนะเกี่ยวกับเรื่องพระโพธิสัตว์มีตอนไหนบ้างหนึ่งตอนปฏิสนธิในพระคันธมาดาสองตอนประสูติประสูตรสามตอนตรัสรู้สี่ตอนแสดงธรรมจักห้าเปงมายุสังขารหกปรินิพานเนนะกเอปรินิพานแล้วเกิดเหตุการณ์อันนะ้าพหกอย่างที่อื่นอีกเกี่ยวกับพระธรรมนะก็มี ที่แสดงคำแล้เหมือนโลกาธาตุวันไว้ก็เช่นอะไรพระสูตรไหนหลายสูตรนะเช่นเทรมชาและสูตรสูตรหนึ่งละอีกที่หนึ่งก็คือพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะที่เราแสดงเนี่ยแสดงเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่ไม่รู้ยิ่งแสดงเพื่อความเแสดงมีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุแสดงมีปาฏิหารไม่ใช่ไม่มีปาฏิหารเนี่ยน ะ, ะโคตมกัสสูตรดังนั้นก็มีเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ก็มีอีกหลายสูตรนะที่มีเหตุการณ์ที่น่าอาศัศจรรย์ พลันแสงสว่างเหล่านี้ก็ได้เป็นตายส่วนความน่าสาัจย์ข้อสุดท้ายเดี๋ยวจะได้กล่าวทีหลังมาดูเกี่ยวกับเรื่องบุพนิมิตย้อนจากเมื่อวานเพิ่มเติมอีกครั้งว่าการที่โพลพอประสูตธฝ่าพระบาทก็ประทับเรียบกับพื้นเสมอการเนี่ยเป็นบุพนิมิตแห่งอะไรอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่นะฝ่าพระบาทเหยียบสัมผัสพื้นเลยนี่อันนั้นเป็นบุพนิมิตแห่งอิทธิบาทสี่ชันท้ววิริยะจิตตะและวิมังสา ข้อที่พระองค์เสด็จ <Barbie> หันพระพักไปทางทิศอุดรเป็นเครื่องหมายว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือมหาชนทิศอุดรนี้อยู่ทางนี้นะทิศเหนือเนี่ยเรานั่งหันหน้าไปทางเหนือนะเพราะทีต่ตะวันออกอยู่ทางนี้ทิศตะวันตกอยู่ทางนี้เราหันหลังไปทางทิศใต้ข้างหน้าก็เป็นทิศเหนือว่าพราะองค์นั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะยิ่งใหญ่เหนือกว่ามหาชนทั้งหมดเลยยิ่งใหญ่เหนือกว่าสารรพสัตทั้งหลายทั้งหมดเลย อางที่เพลงว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สเท้าหรือสัตว์มากเทา้าตลอดจนถึงอรูปประทับเนี่ยนะพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้เลื่ที่สุดเป็นผู้เจริญที่สุดข้อที่เพลงเสด็จดําเนินเจ็ดเก้าการเดิดดเนเจ็ดเก้าเป็นบุพนิมิต ท, ที่เพองได้รัตนาคือโพชฌงเจ็ดนะนะเก้าอันประเสริฐเลยคือโพชฌงเนี่ยนะหวังว่าเราทั้งหลายศึกษาพระธรรมในชาตินี้ยังไงก็ต้องมีเครื่องประดับเหล่านี้ไปด้วยเนาะเครื่องประดับคือ พอชงเจ็ดหนึ่งสติสามพ่อชงสติสามพ่อชงก็คือสติที่เป็นไปกับสติปัฐานสี่เนี่ยนะธรรมวิทยาสามพ่อชงก็คือการวิจยัยกายเวทนาจิตธรรมเพื่อให้เห็นอริยสัจเนี่ยนะสติสามพ่อชงเป็นต้นก็ระลึกในความไม่อยเพื่องเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอสุภาพของการเวทนาจิตธรรมเงนะี้ยส่วนธรรมวิทยาสามพ่อชงเป็นการวิจัยเพื่อให้เห็นสัจธรรมถามว่าการวิจัยอย่างนี้ทำได้มำได้เรล่นมไม่ ไม่ได้คุณการตาพูดเมื่อวานย้า ม, มากว่าสัมมาประธานนะสัมมาประธานบนดัชนีธรรมาวานเนี่ยก็ขอให้เป็นไปตามอย่างที่กล่าวนะนะมั น, น, นก็สัมมาประธานเนสัมเวริยานั้นสําคัญมากทีนี้คนที่เพียรอย่างข้าเคร่งหน้าดําเลยใช่ไหมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นไหมทาอย่างมีความสุขนีะ น, นะทำอย่างมีความสุขเขาบอกว่าโอ้โหถ้าได้ปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้งแต่เครียดเอาเครียดเอาเนี่ยไม่น่าเช่อเลยเพราะว่าต้องมีอะไร ปีติสัมโพชงเนี่ยนะมีปีติสัมโพชงเข้าไปปีติสัมโพชงในวิธีเจริญอย่างหนึ่งคือการการอะไรเจริญพุทธคุณเป็นต้นเนีะเจริญพุทธานุสติเป็นต้นอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นเป็นอาหารอย่างดีของปีติสามโพชงมันผู้ที่เจริญหรือผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงเนี่ยนะยิ่งมีความสุขมากนยะถ้ายิ่งปฏิบัติได้ยีเท่าไหร่เนี่ยพอฟังคำว่าโพชงเนี่ยหายป่วยเลย เขาเขาเข้าเจริญได้มากขนาดนั้นดีขนาดนั้นส่วนข้อต่อไปคือข้อที่ทรงสเสวติตฉับอันเป็นทริปเป็นบุพนิมิตแห่งการได้ฉับคือฉับคืออะไรวีมุดเนี่ยนะนะความหลุดพ้นเนี่ยนะฉนะับคือวีมุดคือความหลุดพ้นข้อที่ราชากุอราชากกุฎพันทั้งห้านี่นะคือหมายความว่าเครื่องประดับเครื่องใช้สริของพระราชาห้าอย่าง เร่ยกว่าถ้าจะพิเศษนะจะต้องมีเครื่องทรงยศอย่างนี้ห้าอย่างเช่นอะไรพระขันพระบาทฝ่าอรองเท้านะรองเท้าแล้วก็กรอบปลอบพระพักสเสวยตาชัดและอะไรอีกอย่างหนึ่งพัดพระวาลวิชนีก็คือพัดเนี่ยนะห้าอย่างเป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่ว่าจะพิเศษ เ, เ, เป็นกษัตริย์เป็นเป็นกษัตริย์ผู้ได้มูรถาพิเศษเนี่ยนะอันนี้พระ อ, องค์ก็ได้ฉัดคือวิมุตห้าอย่างคือประทงางครับวิมุต วิคัมพนาวิมุตต์สมุเฉทวิมุตต์ปฏิปัสสติวิมุตต์และนิสรณาวิมุตต์นั่นเองส่วนหัวข้อที่พระองค์นี้เหลียวดูทิศดูทิศทั้งสิบทิศเลยนะทิศบนทิศล่างทิศซ้ายทิศขวาทิศหน้าทิศหลังทิศเฉียงเียงทั้งสิบทิศนี้เป็นนิมิทางอนาวรณายานที่ไม่มีอะไรต่างกันก็เพราะเห็นได้ทุกทิศก็แสดงว่าไม่มีอะไรขวางกั้นเนี่ยนะ ข้อต่อไปว่าพระ อ, อ, องค์เปล่งอาสพิวาจาคือว่าเป็นวาจาที่องค์อาจอาสพิอาสภพะเนี่ยหมายถึงผู้องค์อาจผู้กล้าหาญชาญชัยเนี่ยกล่าววาจาอย่างไม่ขั้นคร้ามในอะไรเลยเป็นนิมิตของอนาวรณยายขขณขอณขอภัยเขาบอกว่าเป็นบุพนิมิตแห่งการประกาศธรรมจักที่ไม่มีจักอื่นยิ่งกว่าไม่มีจักอื่นเสมอเหมือนเลยนะ ก็ธรรมจักเนี่ยนะตอนที่พระองค์ประกาศธรรมจักกับปวัตตนาสูที่ตายสุดปตัตตนามฤุกทายาวันก็ก็เป็นการกล่าววาจายอย่างองค์อาจออตามมาตกระถากล่าวว่าเสียงนั้นนะเปล่งดังอูทานไปจนถึงผนมโลกเลยนะว่าทเท เ, เวเมทิคเวอันเตปัตพชิตานาเซวิตรพาต้นต้นเนี่ยบนอะกว่าเสียงเนี้ดังกึกก้องไปจนถึง พรหมโลกเนี่ยนะก็ถือว่าไอาการที่พองเป่งวาจาตอนประสูตรนี่บุคคนิมิตแห่งการประกาศธรรมจักที่ดังเกือกกล้องไปทั่วโลกนั่นะส่วนประกาศธรรมจักที่พระองค์ประกาศนั้นก็เป็นธรรมจักที่ใครปฏิวัติไม่ได้บัณฑิตทั้งหลายไม่ปฏิวัติของพระองค์แน่นอนอะนะไม่บัณฑิตผู้มีปัญญาผู้มีความรู้ผู้มีบุญเนี่ยไม่ปฏิวัติธรรมจักของพระองค์เลย ไ, ไม่มีใครมาบิดเบือนธรรมจักรของพระ อ, องค์เลยถ้าผู้มีปัญญานะแต่พอยุคนี้ขึ้นมาก็เป็นยุคที่เอถามว่าสอดคล้องกับธรรมจักรมากไหมข้อปฏิบัติในะยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยนะปาสุลูว่าสอดคล้องเยอะไหมไม่สอดคล้องเท่าไหร่นะก็คือไม่ค่อยสอดคล้องต่พอพระธรรมจักรสักเท่าไหร่ก็คือผู้ไม่รู้นั่นแหละที่ปฏิวัติของพระ อ, องคนะ์กันไหมปฏิวัติคืออะไร เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหาว่าผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองเพรา ะ, ระว่าพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนี่ยวาจาที่ว่าอายะมันติมาชาติบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้การเกิดในภพใหม่ไม่มีอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งอะไรอนโนปาทิเสสปรินิพานเป็นการดับอย่างรอบกิเลสปรินิพานนิพระองปรินิพานที่ไหนกิเลสปรินิพานที่โพธิบาลังนามขันทรี ปรินิพานที่ไหนที่กุสินาราตรงวิหารนิพานเนี่ยนะเจดีย์นิพานข้างหลังตรงนั้นนะแล้วรู ป, ปกายผมขนเอ่อพวกเนื้อเลือดเป็นต้นเนี่ยแต่ทำลายที่ไหนมากุฏพันธนเจดีย์ตอนนี้ก็เหลือแต่พระบรมสารีนิกรธาตุเนี่ยนะ ต่อไปอีกไม่นานสักเท่าไหร่พระธาตุก็จะไม่มีให้ไหว้เลยก็จับหมดไปทัพ้พระองษ์นีด้ดับโดยอนุปาทิเสสะปรินิพานไม่มีสัตว์พรสังขารหลวง อ, อยู่เลยดับสิ้นสูญไม่มีเหลือต่อไปทัพ้พระองษ์ก็ไม่ต้องแบกภาระต่อไปอีกแล้วไม่ต้องแบกภาระคือ ภพเนี่ยนะแบบภาระคือภพเนี่ยการอยู่ในภพเนี่ยมันเป็นภาระจริงๆก็ดูดูแต่ละคนแต่ละคนนี่ยก็หอบภาระกันพนงพลังอินุงตรงนางไปหมดเลยนะเน็ดเหน่วยเนี่ยนะก็ภาระแล้วก็มีขันท่าที่เป็นภาระแล้วก็ยังต้องแสวงหาปัจจัยแห่งขันท่าใช่ไหมรูปปั้นก็ต้องแสวงหาอาหารมาเนี่ยของเรานั่งอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานหนูก็ลุกไปหาเพิ่มขันท่า